ประวัติขององค์หลวงปู่ใหญ่บรมครูเทพโลกอุดรการให้สัมภาษณ์ของหลวงปู่ต้นบุญติกขปัญโญแห่งวัดราชทาสสีจัมปา จากวาสนาบันมีที่ การพบกับบรมครูหลวงปู่เทพโลกอุดรโดย เขารู้สึกเบื่อหน่ายกับชีวิตความเป็น แต่ใจของเนนน้อยไม่อยากศึก เห็นเป็นชี้ปะขาวหนวดคราวรุงรังแต่งตัวมสอยืนโบก แล้วก็พะลอยหลับต่อจนรุ่งสางด้วยเนน หลังจากไปเรียนนักธรรมบาลีที่วัดอรุณรังสีจังหวัดหนองคาย อยากจะไปทุรดงมากกว่าช่วงนั้นได้มีเพื่อนสามเณรรุ่นพี่ชวน ได้ความว่าท่านชื่อพระอาจารย์คําสิงความว่าท่านจะไปรับยาที่อุดรชื่อพระอาจารย์คํา ทุโดงจึงชวนเนนน้อยต้นบุญประมาณ 3 วันเวลา 1 ทุ่มท่านจะมารับๆและเสบียง อีกจํานวน 1 เมื่อถึงเวลานัดหมายได้ เพียงแค่ 5 นาทีเรือก็แล่นถึงฝั่งลาวอย่างเพ 15 นาที ถึงภูเขาควายแล้วหากไปทางซ้ายสัก 50 หลักก็จะถึงเวียงจันทร์แต่ท่านพาเลี้ยวขวาผ่านป่าไผ่ไปไม่ไกลก็พบลาน ท่านบอกว่านิมิตไม่ดีเห็นโยมแม่ไม่ครับผมจะ แล้วท่านก็เดินจากไปทิ้งเนนเราจะหากท่านไม่กลับมาเนนน้อยหน่อยก็เดินสํารวจรอบๆบริเวณเจอรอยเท้าสัตว์หลายหลายขนาดหลาย 10ๆเพื่ออาจารย์เวลาผ่านไปบ่าย 2:00 แล้วยังไม่เห็นวิเววอาจารย์เลยในใจเริ่ม เน็นน้อยนั่งกลัวทั้งเกรง เอิ้ổi แตกกว่าเสือก็ยังไม่ไปจึงตัด เสือกระโดดหนีวิ่งไปทาง เล่าเพลอหลับไปด้วยความเพลียรู้ กินลูกหวายใบไผ่ลูกหวายใบไผ่ล้อม <ๆ. S 1> แดงหินสีแดงและมีก้อนหินใหญ่สีแดงอยู่ 108 ปี ตอนที่เท้าสีโคตเอาไม้ตะบองตียักษ์จนลูกตากระเด็น และแสดงอย่างอื่นอีกสารพัดให้ดูหลังจากนั้นก็ ว่าแล้วฤาษีก็ล่วงมือเข้าไปในผนังถ้ําหยิบ เอาเมื่อกี้ฉันอ้ายนี่เนนน้อยถามด้วยความตกใจใช่แล้วเราใช้ จากถาวรธรรมดากลายร่างเป็นม้าขาวอาชาจนลับตาเนน เดินไปเรื่อยๆเจอถ้ำหนึ่งปากถ้ำกว้างใหญ่ลักษณะคล้าย มีต้นไม้ใหญ่หลายต้นขึ้นเรียงรายเป็นร่มเงาอย่างพอเหมาะอากาศเย็นสบายใจ จำได้ว่าเป็นคนเดียวกับที่ตะโกนเรียกบอกที่วัดนาเมืองท่านชื่อปู่ ซึ่งกำลังนั่งชั้นหมากอยู่อย่างอันดีหน้าตาท่านอิ่มเอิบ น้นน้อยมองหน้าท่านเหมือนคุ้นเคยเหมือนเคยเห็นทีไหนมาก่อน พ. ygt. หลังเท้าความในอดิตจึงจําได้ว่า 2 ตอนตกต้นไม้ตายท่านมาช่วยชุบชีวิตให้ฟืนขึ้นมาเป็นองค τονเดียวกันนี้เอง หลวงปู่ใหญ่ท่านไม่ได้กล่าวว่าอะไรเพียงแต่ยิ้มยิ้มแล้วสั่งให้ปู่สิงขรพาเนนน้อยไปเก็บสัมภาระ <ม. S 1> ที่ยาวนานและพิสดารยิ่งนักซึ่งตัวหลวงปู่ๆและสืบสารงานพระศาสนาตามกําลังความสามารถของท่าน การที่จะทราบประวัติท่านนั้นเป็นเรื่องที่ท่านไม่ค่อยให้ความสําคัญเท่าใดนักและก็ไม่ค่อยได้ ซึ่งเนนน้อยอยากรู้อยากเห็นได้รบท่านเลยเมตตาเล่าให้ฟังว่าบรรพเวลาเสนานิคมท่านสุปันนกะเศรษฐีมีปัญญาชื่อนางสุปันนกะมาตาทั้ง 2 ท่านเลื่อมใสในพระพุทธศาสนา ครั้งหนึ่งท่านสุปันนกะเศรษฐีและนางสุปันนกะมาตาได้นิมนต์พระมหากัสสปะมาฉันบิณฑบาตและชวนญาติมิตรจากพระมหากัสสปะฉันเสร็จ มาเกิดและบุตรๆทั้งสิ้นทันสุปันนกะเศรษฐีดี 4 เดือนนาง 15 ค่ําเดือน 4 ท่านสุปันนกเศรษฐีได้ตั้งชื่อ ได้ 7 ขวบพระมหากัสสปะได้ให้บรรพชาเป็นสามเณรเพื่อศึกษาเล่าเรียนพระไดได 20 ปีจึงได้อุปสมบทเข้าป่ารับพระกรรมฐานจาก หลังจากกลับมาพระมหากัสสป์ 3 รูป 1 อสุปันนกะ 2 พระ 3 พระสุวรรณกะเข้ามาๆให้ ดูแลพระภิกษุสามมะเนนตามอรามทั่วไปพร้อมกําให้นําร่างที่ละไปไว้ที่ภูเขาฮิมาลัยทําเขาที่สูงที่สุดในฮิต่อมาภายหลังท่านทั้งสามจึงได้แยกย้ายกันไปเพยแพร่พระสัตว์ ได้เดินทรุดงจากประเทศอินเดียมาพม่า ได้ตั้งชื่อว่าเขาพิลาศต่อ และได้จาริกไปนมัสการอยู่เสมอหลวงปู่บรมครูเทพโลกอุดรได้ดําริ พอเกิดความแห้งแล้งก็พากันอพยพไปตั้งบ้านเรือนที่อื่นเช่นเดียวกันภายหลังหลวง ที่จังหวัดเพชรบูรณ์หลวงปู่ เหมาะในการบําเพ็ญภาวนาหน้าถ้ํามีหินทราย เมืองศรีวิชัยภายหลังเกิดโรคระบาดจึงเมเมเมเม 300 แต่ก็พบ 20 ปีชาวเมืองเกิดฆ่ากันเพื่อแย่ง สำหรับหลวงปู่